นิทานบรรเถิงธรรมเรื่องทองเสนาบดี เสนาบดีการกะนอกจากคุมกําลังกอง ถือวันหนึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่ต้องกําจัดวันหนึ่ง ที่ถูกต้องที่ถูกต้องแต่กลับซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีว่าเป็นคนยุติธรรมท่านปุโรหิตให้ รับศีลวนเค้าแล้วก็มาตัดสินให้อืมนะ ว่าแล้วแล้วปุโรหิตธรรมทัตก็พาชายคนนั้น ตัดสินคดีไม่ยุติธรรมอย่างที่ จึงทรงขอเดชะรับสั่งให้อืม ท่านแต่เพื่อเราจะได้สบายหูเป็นต้นไปเราขอมอบหน้าที่ตัด หรือจะเห็นแก่คนทั้งแว่นแคว้นล่ะฮะเอ่อเอ่อ ชาวเมืองต่างพอใจในการปฏิสิง จึงเข้าเฝ้าพระเจ้ายศปานีเพื่อทูลยุยมขอเดชะโพโรหิตธรรมทัต ลองจริงด้วยพระเนตรดูสิพะเจ้าค่ะอืมจริงด้วย ค่ะเขาสักไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็อืม ทรงเห็นชอบด้วยตามแผน เราอยากจะอาศัยใบบุญของท่านช่วยให้ <า? S 1> หลังจากกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้ายัสสะพา อย่าหนักใจไปเลยบันดิตเรา ขอเดชะพระองค์ผู้ท่านจะสร้างอุทยานที่ตรงไหนเจ้าแห่งทวย ปุโรหิตธรรมทัตออกไปดูอย่างที่ ก็เริ่มวางแผนกําจัดกันต่อไป มัยฤศยาไม่รักไม่โกรธถึงตอนนี้เมาไม่รักไม่โกรธถึง เออท่านบันดิตดูเหมือนว่าท่านจะเป็นสุขสบาย อย่าได้คิดมากเลยอย่าได้คิดมากเลยนี่จะเล่าอะไรให้ฟังเอ่ออืมจริงสิ ขอบใจมากมากฉะนั้นเอ่อเราจะกลับ 4 แล้วตรัสถามทันทีที่ช่างกล นับแต่นั้นมาพระเจ้ายัสปานีก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมทั่วแว่นแคว้น นิทานเรื่องนี้ก็เอาชนะความเลวร้ายได้ในที่สุดให้รู้